สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ่บานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่หนึ่งร้อยสิบห้าการอธิษฐานตามแบบอย่างพระเยซูตอนที่สองครับพี่น้องครับผมอยากจะทบทวนคอนเซป ต, ต์เบื้องหลังความคิดของการอธิษฐานก่อนนะครับความคิดของการอธิษฐานหรือแนวคิดของการอธิษฐานนั้นก็คือการอธิษฐานนั้นเป็นการเปิด รเริ่มต้นเปิดชีวิตของเราเปิดหัวใจของเราเปิดจิตใจของเราในการสนทนากับพระเจ้าในการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพระเาะฉะนั้นาการอธิษฐานนั้นจึงเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อความศรัทธานในความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าเพระเาะฉะนั้นเราเรียกพระเจ้าว่าเป็นพ่อบิดาครับในขณะเดีวยวกันการอธิษฐานนั้นก็แสดงถึงความผ่อมใจนะครับความผ่อมใจนั้นเป็นพื้นฐานของการอธิษฐาน เราเรียนรู้นะครับว่าเมื่อพระเยซูได้ทรงสอนเรื่องการอธิษฐานนั้นก่อนหน้านั้นพระเยซูได้พูดถึงพฤติกรรมของพวกปาริศีนะครับพวกปริศีนั้นก็อธิษฐานแบบหนึ่งนะครับพวกเก็บภาษีก็อธิษฐานอีกแบบหนึ่งพวกปริศีนั้นอธิษฐานแบบหญิงแสโอะครับแบบยกตัวเองแต่พวกเก็บภาษีหรือคนเก็บภาษีนั้นเขารู้ว่าเขาเป็นคนบาสนะครับเขาถ่อมใจลงเพราะฉะนั้นพี่น้องครับภาษาอังกฤษบอกว่า humility s is the foundation of prayer Humility is the foundation of prayer แสดงว่าความส่อมใจนะครับความส่อมใจนั้นเป็นรากฐานของการอธิษฐานครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นข้อคิดในเรื่องของการอธิษฐานในเช้าวันนี้ผมจะต่อไปอีกประเด็นนึงนะครับว่าการอธิษฐานนั้นมีความจำเป็นสำหรับครอบครัวพ่อไรครับเพราะว่าการอธิษฐานในบ้านนะครับการอธิษฐานในครัวเรือนของเรานะครับในครอบครัวเรานั้นก็คือ ครอบครัวเป็นที่แรกที่เราจะ educate เด็กๆของเราให้การเรียนรู้เกิดขึ้นในเรื่องของการอธิษฐานครับเด็กๆของเราจะอธิษฐานได้เดไม่เขาจะมีความเชื่อสราทาในพระเจ้าได้เด็กๆของเรานนั้นจะมีจิตใจที่รู้ว่ามีพระเจ้าอยู่และพระเจ้าเป็นพระบริดาของพวกเขาและเขารู้ว่าเขาจะต้องอธิษฐานอย่างไรก็เกิดขึ้นที่บ้านครับเพราะฉะนั้นครอบครัว เป็นที่ที่ดีที่สุดในการที่เราจะสอนเรื่องพระเจ้าสอนเรื่องของการอภิษฐานนะครับเรามาดูนครับว่าการอภิษฐานนั้นมีกี่ประเภทครับมีผู้เชี่ยวชาญ น, นะครับในด้านเรื่องของการอภิษฐานนั้นก็ได้แบ่งการอภิษฐานออกเป็นสามประเภทนะครับสามประเภทใหญ่ๆนี้นะครับประเภทแรกก็คืออภิษฐานด้วยเสียงครับเป็นการอภิษฐานไม่ว่าจะเป็นอภิษฐานส่วนตัวหรืออภินส่วนรวมในโบสถ์นะครับก็จะใช้ เสียงการอธิษฐานนะครับประเทศที่สองก็คือเขาเรียกว่าเป็น m e d i t a t i v นะครับ meditative ก็คืออธิษฐานแบบไข้ทวนนะครับเราจะเอาพระวจนะของพระเจ้าข้อนึงนะครับในการเข้าพพระเจ้าในตอนเช้านะครับแล้วมาใไข้ทวนเป็นคําอธิษฐานถามพระเจ้านะครับถามพระเจ้าว่าอะไรถามพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าพรงปรัชนาให้ข้าพระองค์ทำอย่างไรหรือตอบสนองต่อพระวจนะของพระองค์ข้อนี้อย่างไร นี่คืออธิษฐานแบบ meditative ก็คืออธิษฐานใกล้โคลนภาชนะอธิษฐานแบบที่สามเขก็คือ contemplate นะครับ contemplative นะครับแปลว่าการรอคอยพรเจ้าครับเป็นการที่เป็นเป็นการเป็นความสัมพันธ์ใกล้ชิดนะครับที่จะคอยฟังเสียงพระเจ้านะครับนี่คืออาจารอธิษฐานสามแบบทั้ง vocal นะครับก็คืออธิษฐานออกเสียง meditative ก็คือการอธิษฐานใกล้ควนภจชนะและ ที่ก็ ค, คือ Contemplative ก็คือการในฐานที่ดูเหมือนว่าเป็นในฐานที่ลึกซึ้งที่สุดนะครับลึกซึ้งที่สุดในการที่เราจะอยู่นิ่งๆแล้วก็ฟังนะครับเป็นในฐานที่ Close r e l a t i o n SHIP มาก i n g b e t w e e n ウィンフレンดนะครับ i n g Between Friends ก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนหรือการมีความนิ่งเพื่อที่รอคอยการตอบหรือคำตอบจากพระเจ้านะครับ อันนี้คือสามรูปแบบของการอธิษฐานนะครับอย่าลืมนะครับเวลาที่เราจบการอธิษฐานนะครับจะต้องอยู่นิ่งๆครับแล้วก็คอยฟังว่าพระเจ้าจะพูดอะไรกับเรานะครับภาษาอังกฤว่า listen in silence after you pray you may receive an answer นะครับเราจะต้องนั่งฟังนะครับนิ่งๆฟังข้าวเสียงของพระเจ้าครับพี่น้องครับก่อนที่เราจะไปถึงประโยคที่สองนะครับหรืออ่ คอนเซปต์ที่สองนะครับผมอยากจะบอกว่าในบางตปรานะครับเขาก็แบ่งนะแบ่งการอธิษฐานตามแบบพระเยซูเนี่ยออกมาว่าเป็นการทูลขอเจ็ดประการนะครับเป็นการทูลขอเจ็ดประการสาประการแรกเกี่ยวข้องกับ Glory of God นะครับก็คือพระชนิดของพระเจ้าอะไรครับที่เกี่ยวข้องกับพระชนิดของพระเจ้าหรือเกี่ยวข้องกับพระเจ้านะครับเรามาดูนะครับ เมื่อพระเยซูสอนอ้อนิ า, านว่าข้าแต่พระบิดาเห็นข้าพุ่งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พ้านามของพระองค์ไปที่เขาสักการนี่นี่คือการขออย่างแรกนะครับการขออย่างที่สองที่เกี่ยวข้องกับพระสิริของพระเจ้ า, จา ก, ก็คือขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ครับำอ้อนิขานที่สามที่เกี่ยวข้องกับพระสิริของพระเจ้ า, จา ก, ก, ก็คือขอให้เป็นไปตามพระไตยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกเพียงเท่านี่คือ สามการทูลขอนะครับที่เกี n ่ยวข้องกับเพื่อผลิตของพระเจ้าเพื่อให้แผ่นดินโลกนี้ได้เต็มไปด้วยภลิตของพระองค์นะครับทีนี้เรามาดูครับอีกสี่คทูลขอนะครับเกี่ยวข้องกับอะไรครับเกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเรานะครับชีวิตของพวกเราก็เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตประจําวันนะครับการที่เราจะท้องที่อิ่มการที่เราจะมีจิตอิงยานที่ใกล้ชิดติดสนิทกพระเจ้า การที่เราจะรับการยกโทษจากพระเจ้านะครับเรามาดูเป็นข้อๆไปนะครับอีกสี่อย่างที่กันนะครับอย่างแรกอยู่ในข้อที่สิบเอ็ดนะครับของมัทธิวบทที่หกขอทรงโปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพระองค์หลายในการแบบนี้นะครับนี่คือการขออีกประเภทหนึ่งแล้นะครับข้อที่สิบสองครับขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองยกโทษผู้ที่ทาผิดต่อข้าพระองค์นั้นนะครับ ขออย่างที่สก็คือขออย่านำข้าพรงเข้ามินฉาทุนหลงแต่ให้คนจับซึ่งชั่วร้ายนะครับอันนี้คือสามและสี่ครับขอให้คนจับซึ่งชั่วร้ายนะครับนี่คือสี่ขอพี่น้องครับเมื่อเราดูอย่างนี้แล้วเราจะพบนะครับว่าการอธิษฐานนะครับสามารถถอดออกมาได้เป็นหลายหละองค์ประกอบครับงั้นเราจะมาดูต่อนะครับว่า กัมภีร์พระเยซูได้ทรงสอนเรานะครับว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระคั่งของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลก ค, ครับเวลาที่เราที่ถามว่า <c oughs> ขอให้พระ น, นามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะผมถามนะครับว่าใครจะทําให้พ่า น, นามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะครับคําตอบก็คือพวกเราเนี่ยแหละครับการดําเนินชีวิตของพวกเราแต่ละวัน เราทําให้พระ น, นามของพระเจ้าเป็นที่ยกย่องเป็นที่เคารพสักการะหรือเปล่าเพราะพระนามของพระองค์เป็นพระ น, นามที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นที่น่าเคารพสักการะอยู่แล้วแต่แหลายครั้งที่เดียวการดําเนินชีวิตของเราแต่ละวันนั้นเราทําให้พระ น, นามของพระเจ้าเสื่อมเสียหรือไม่และขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่คําว่าแผ่นดินของพระองค์นั้นมีความหมายว่ายอย่างไรพี่น้องครับหลายหลคนนะครับที่เอ่ยพระ น, นามพระเจ้านะครับ แต่ว่าไม่ได้ฉวาเกียรติเจ้าหลายคนบอกว่าเป็นชาวแผ่นดินสวรรค์แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามน้ำมันไทยของพระบิดาทีนี้นะครับในมัทธิวที่เจ็ดข้อยี่สิบเจ็ดนะครับพระเยซูสอนว่ามิใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าค่ะพระองค์เจ้าค่ะจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทยัยตามน้ำมันไทยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้ นั่นหมายความว่าคนที่เป็นชาวสวรรค์หรือเรียกตัวเองว่าเป็นแผ่นดินเป็นชาวแผ่นดินสวรรค์หรือเรียกตัวเองว่าเป็นลูกของพระเจ้าและอธิษฐานบอกว่าพระบิดาพระบิดาพระบิดานั้นเขาจะต้องปฏิบัติตามนาม้ำมัภไยของพระบิดาครับจึงจะเป็นชาวแผ่นดินสวรรค์พี่งครับนี่คือสิ่งที่สําคัญมากก า, ม ก, าม ก, าการมีชีวิตจอดคล้องกับความเชื่อของเราการมีชีวิตสอดคล้องกับคําอธิษฐานของเรานะครับผู้ที่เชื่อในพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าเท่านั้นที่เข้าแผ่นดินสวรรค์ได้ และกรรอธิษฐานในข้อนี้ก็คือเพื่อให้พระเจ้าได้มีชัยชนะเหนือโลกอย่างแท้จริงครับเหมือนกับผู้คนจะจํานวนมากที่จะหลั่งไหลเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์นั่นเป็นคําอธิษฐานของเราพี่น้องครับให้เราเป็นผู้ที่ทําให้แผ่นดินของพระเจ้านะครับขยายออกไปนะครับระเยซูได้อธิษฐานว่าขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่นะครับขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่แผ่นดินของพระองค์ในสวรรค์นั้นเป็นอย่างไรบ้างก็ขอให้มาตั้งอยู่ในแผ่นดินโลก ได้ขอให้น้ำมัทัยของพระองค์สําเร็จครับนะครับการมีรูปแบบอธิษฐานแบบนี้หรือการอัิษฐานแบบนี้นั้นเป็นการอธิษฐานที่บอกว่าเราทั้งหลายจะต้องเป็นคนที่ช่วยนะครับเป็นคนที่ทําให้แผ่นดินของพระเจ้านั้นมาตั้งอยู่ในโลกนี้นะครับและใครก็ตามที่อธิษฐานว่าขอให้น้ำมัทัยของพระเจ้าสําเร็จก็หมายถึงว่าเขาจะต้องทิ้งความปรารถนาและความต้องการของตัวเองออกไปครับเพราะนี่คือน้ำมัทัยของพระเจ้า นะครับการที่จะให้น้ําัทไทยของพวง์สําเร็จในสวรรค์ในแผ่นดินโลกนี้การที่เราจะให้แผ่นดินของพวงมาตั้งอยู่ในโลกนี้เราจะต้องละทิ้งความปรารถนาและความต้องการของเราออกไปเพราะนะครับน้ําัทไทยของพระเจ้าในตอนนี้เป็นเรื่องที่มากกว่าเรื่องส่วนตัวคับยิ่งใหญ่กว่าความเรืนส่วนตัวมากนะใครก็ตามที่อธิษฐานนะครับไม่ควรอธิษฐานเกี่ยวข้องกับน้ําัทไทยของพระเจ้าเพื่อตัวเองครับหรือเพื่อความปรารถนาของตัวเองเท่านั้น นะครับพระเยซูบอกว่าจงอธิษฐานตามอย่างนี้คือขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกในสวรรค์มีแต่การเชื่อฟังครับในสวรรค์มีแต่การยกย่องพระเจ้าในสวรรค์มีแจ่ชีวิตของคนที่บริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงควรที่จะเป็นชาวสวรรค์ก็คือเราจะต้องมีชีวิตที่เชื่อฟังครับเราจะต้องมีชีวิตที่ยกย่องสวรรค์เถิดพระเจ้าให้คนอื่นเห็นนะครับให้คนอื่นเคารพศักดระพระเจ้านะครับเราจะต้องมีชีวิตที่ อยู่ในน้ําัทย์ไทยของพระเจ้าและทําให้แผ่นดินของพระเจ้าสําเร็จเพราะฉะนั้นใครกระทำที่อธิษฐานนะครับจะต้องมีความปรารถนามีความพยายามนะฮะทำเท็จทำเทศจสนญาบนภูเขาที่ผ่านมานั้นได้สอนคํำสอนว่าเราควรจะดําเนินชีวิตอย่างไรเพื่อที่จะเป็นชาวสวรรค์เราจะดําเนินชีวิตอย่างไรเพื่อที่จะให้แผ่นดินสวรรค์นั้นมาตั้งอยู่ในโลกนี้เพื่อนครับลองจินตนาการดูนะครับว่าบ้านเราจะเป็นยังไงครับถ้า บ้านเราเหมือนกับแผ่นดินสวรรค์โบสเราก็เหมือนกันครับโบสถเราจะเป็นยังไงครับถ้าโบสเราเหมือนกับแผ่นดินสวรรค์โลกเราก็เหมือนกันครับโลกเราจะเป็นไงครับหากว่าโลกนี้เป็นแผ่นดินสวรรค์พี่น้องครับของพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราเป็นชาวสวรรค์ที่แท้จริงและเราเป็นคนที่ขยายแผ่นดินของสวรรค์ของเราที่พระเจ้าได้บอกหมายให้อาเมน